อันสาธุชน 15 มกราคม 2534 เป็นวันที่ประชาชาติขี้ขาดให้ 10 20 นาฬิกา ก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะรบกันหรือไม่รบเรื่องรบหรือไม่รบ 15 ปีจะมีการรบราขากฟันซึ่งกัน ไจรุกจากอากาศกับมาถึงพลระเบิดเลงจะล้มตายไปฝ่ายละมากๆแต่ว่าอนันทะโดกานน สภาพ misterkon dotti จะตายไปฝ่ายและครึ่งจึงจะเล Gerade แต่ว่า ah tateos ที่นักถือพวสิทีนักถือพวกตาวановจะมีภลายเหมืองกัน แต่ไม่ล่อยแหล่งนักเพราะใช้ด้วยหว แล้วตอนที่ 6 พูดกันถึงตอนที่ 5 ในความเขาจะแห่ไปที่หัว เพราะผีนี่มีทั้ง 2 ประเภทคือผีดีกับผีไม่ดีความจริงผีถ้าดีก็ เพราะว่ากรมแพทย์ทหารเรืออยู่ก็อยู่กับ ตอนแรกที่เห็นเขาเงียบกันหมดคือว่าตอนบูชาพระ <c oughs> ตอนมีเอ่อก็ก็ใส่กลอนขอโทษนะก็ใส่กลอนเมื่อ เวลานานมงลวดยาวไม่มีพอเข้ามงนอนก็ยังไม่ แบบ เป็นคนผิวขาวล่ําเนื้อเต็มเจอว่าท้วมก็ไม่เชิงท้วมเป็นคนเนื้อเต็มใส่เสื้อ ท่านก็ยืนเฉยแล้วท่านก็ยิ้มท่านมองท่านก็ยิ้มอาตมามองอาตมาก็ไม่ยิ้มเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครท่านคือใครท่านนั้นก็บอกว่าเมื่อสักครู่ ก็เลยบอกว่าในเมื่อท่านนึกถึงพระเจ้าต่าง Tegelijkertijd hebben we een verhaal de een verhaal gedaan, een verhaal gedaan, een verhaal gedaan, een verhaal gedaan, een verhaal gedaan, een verhaal gedaan, een verhaal gedaan, een een een verhaal een een een een een een een een ถ้ามาได้ก็แสดงว่าพระเจ้าต่างศีลไม่ได้ตกนรกธรรมอุไชผม 1 ทําประหารชีวิตใช่ ถามว่าจำอะไรต้องจำเรื่องเก่าที่นึกถึงเรื่องเก่า เวลานู่นเวลานี้รู้ไม่ได้เพราะเวลานั้นเป็นลูกกับเพาะทองมันอื่นท่านก็ไม่แล้วก็ไม่เคย ท่านมีความงามสง่ามากพระเจ้าตัดสินมหาราชท่านมา ไม่ยอมให้ผีหรือไสยศาสตร์ใดๆมันทําอะไรกับท่านได้ นี่ผีก็คนทะเลาะกันพอพูดเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้มหาหออีกแล้วเสียงหมาเข้ามาหรือโคน เวลานี้ในปัจจุบันเกิดฉันดุสิตใช่ ทั้งเหล่าความเป็นมาของพระเจ้าๆถ้าไม่ได้ตาย 1 เป็นผู้รับแผนด้วยความจําเป็นและกับพระเจ้าต่างศิษย์และฆ่ากันไม่ได้แน่พระเจ้าต่างศิษย์เป็นเจ้าพระเจ้าอยู่หัวการที่ 2 ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กในการ การที่ 4 ต่อมาเบื้องหลัง 5 พระเป็นลูกเขยของราชการที่ 1 คือลูกสาวของราชการที่ 1 คนหนึ่งไปเป็นจายาของพระ เจ้าสัวเมืองจริงเค้าเค้าจะเข้ามาเค้าเรียกว่าเค้าจะเข้ามาทวงโทษนี้ไอ้เงินต้นทั้งก็ไม่พอดอกเบี้ยทั้งต้องเสด็จต้องสละราชสมบัติวางแผนให้รัชกาลที่ เอ่อละนั้นเมืองเขมรแข็งเมือง ที่อยุธยากับครบ เมื่อกลับเข้ามาแล้วก็มีก็ก็พักทัพอยู่ที่ทางบางกะปิยังไม่เข้ากรุงก็ยังไม่ทราบว่าหลังจากหลังจาก ก็มีคือฆ่าพระราชาองค์ต้นทิ้งก่อนให้ขึ้นราชา การเข้าไปเจ้าอยู่หัวนี่ไม่ได้ฟันคอทิ้งเค้าใส่กระสอบทดด้วยท่อนจันทร์แล้วใครจะรู้ไอ้คนที่จะอยู่สอดะมาเป็นใครแต่นายที่สุดก็พาช่วยคณะก็พาพระเจ้าตักศิลท่านต้องการไปอยู่นครศรีธรรมราชเข้าไปอยู่ในถ้ําที่ ไพ่แห่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชองค์หลวงหลามก็ ท่านบอกผีไม่ต้องกลัวทั้งกลางวันและกลางคืนต่อไปไม่จําเป็นต้องเห็นผมอีกผมป้องกันแน่นอน 20 บาทไอ้เงิน 20 บาทนี่ติดกระเป๋าเป็นประจำเงินที่มีอยู่ประจําตัวมีเท่า สร้างวัดบ้างเลี้ยงพระหมดบ้างบ้างพระเลี้ยงพระบ้างหมดไปฉันถามสมัยเราใช้สับสมัยเราสมัย ถามท่านว่าทำไมจึงใช่สรรพสมัยเราคำว่าเรานี่หมายถึงว่าเคยเกิดร่วมกันท่านก็ว่าเพราะว่าใช่สมัยนั้นท่านกับผมก็เกิดในสมัยเดียวกันแต่แต่ว่าท่านพุทธบริษัทอย่าเล่าเรื่องรายละเอียดสินะอาจจะเกิดแต่เวลานั้นอาจจะเกิดเป็นลูกชาวทุ่งชาวนาชาว แต่ก็เกิดสมัยเดียวกันแต่ว่า พอตอนเช้าหลานชัยคือ ก็เป็นอันว่าเธอก็มาถามว่าเมื่อคืนมีอะไรบังคับหลวงอาเค้าเลยตอบว่าเมื่อ เวลาเอาความไปมาตามที่ได้ฟัง 3 ตัวขอเลขท้าย 3 ตัว โยนลงไปใต้เตียงพอเค้าฟังเท่านั้นปรากฏว่าข่าวตอนเช้าบรรดาท่านผู้บริษัชข่าวมันไปเร็วจริงๆตอนเช้าปรากฏทั้งโรงจบานทั้งในโรงจบานนอกโรงจบานรู้ข่าวกันเต็มไปหมดไอ้ข่าวอะไร เป็นนั้นเป 25 นี่ต้องเป็นคู่ล้างเลขท้าย 2 ตัวข้างหลังเล่นกันทั้งหมดจะว่า ได้แบงค์บัญญัติ 100 19293 ในที่สุดถึงก็ลา จึงเอาหน้าภาพนั้นมาปั้นที่วัด พอพอปิดทรแล้วหน้ากลายไปอย่างหนึ่งอันนี้ประติอัศจรรย์ปิดทรบ่งไม่เหมือนแต่ก็ไม่เป็นไรก็บางทีใครใครอาจจะสงสัยว่าทําไมปั้นพระรูปพระเจ้าตรัสสินนิวัททาสูงจึงไม่เหมือนที่ธนบุรีก็ต้องตอบว่าปั้นตามภาพแล้วก็เวลาปั้นก็ให้เจ้าของธรรมติเอาอย่างนั้นเอา ตอนนี้หลังจากนั้นต้อง โรคต่อไปนี้จะมีอาการท่านจะต้องนอนโรงพยาบาลถึง 2 ปีถ้า ก็เป็นนว่าตื่นขึ้นเช้าก็ถามด้วยเอกเอ่อเอ่อจาเอกน่ะจะไปรันในเวลา ต่อมาก็ถามผู้ๆฝรั่งก็ 2500 ปีนั้นเป็นวันตัด 180 บาท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 ในเมื่อเค้าให้สตางค์เค้าต้องหวยเค้าให้สตางค์แล้วก็ใช้นอนใช่นี่ซื้อกินตามตามที่ ช่วยการรักษาเป็นอย่างดีตาปลาก็มีคนรู้ข่าวก็ เช่นชานสมาบัติมันพั่นเพือนได้หรือทิพย์คุญญาณ นึกไม่ออกไม่ออกเธอมาดูอยู่เป็นปกติทุกวันก็ 1 ตัวเธอ 100 บาทมัน 300 บาทเธอ 100 บาทเก็บเอา 200 บาทก็ 600 บาทงวด 600 บาท แดงเลื้อย เธอจะรวยเท่าไหร่ก็ไม่ทราบตรงความ ไม่ใช่พยายามเกลมไว้จะขโมยของยามอยากคน 10 คนก็กินไม่หมดคน เขาก็ต้องเก็บไปชำระล้างแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็ 1 เขตัววันต่อมาปรากฏอึ่งมากขึ้น ก็ 10 บอกแขกที่มาบอกอาจารย์เนี่ยชอบกินอึ่งทอดอึ่งทอดจะมีมากตัวนี้ก็